แยกไยในการกราบีเป็นจังหวจังหวก็ในช่วงเช้านี่ก็เราวันนี้เราก็คงจะใช้ฟูทาตามลำดับทั้งช่วงทีสี่ถึงหมงเชาวเราได้ละสองชัวง่วโมงบางคนก็ได้เต็มบางคนก็ได้แค่ครึ่งชั่วโมงบางคนก็ได้หนึ่งชั่วโมงบางคนได้ชั่วโมงครึ่งอันนี้แล้วแต่ ความฉับไว้ของแต่ละคนที่ถือโอกาสในช่วงหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าฝึกความแยบข่ายดูว่นี้อามาจะใช้ควาว่าธรรมวิจยะในช่งชวงเช้านี้นะคือการฝึกการแยบขายในการเปลี่ยนเยียบทจากช่วงเลดหน้อยก็คงจะแปดมงครึ่งนะกว่าจะทำทุลเส็ แปดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึง่งดูสองชั่วโมงนี้นะถ้าคนไหนแยบคลาจริงๆก็อาจจะได้รูปนามวันนีนะ้ถ้าไม่แยบคลาก็เรียกว่ามาเดิมแหละสิบปียี่สิปีทําไปแต่คนไหนแยบคลายสามวันเก็ตละทีนี้ไอ้ควาแยบคลายที่กล่าวถึงบ่อยๆเนี่ยมันเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นของเราใช่ไหมแต่มาทําหน้าที่ก็มาเต็มที่แล้วนะก็ะดิ่มิตรเนยหสิเปอร์เซ็นมาให้ได้แล้ว แต่คงโยมอีกห้าสิบเปอร์ซ็นโยมต้องการจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องไปทําแยบคลายก็คือการแยบคลายของจิตหรือของสภาวะธรรมต้องแยบภลายไปจากสิ่งที่หยาบหยาบเสก่อนถ้าสิ่งที่หยาบหยาเราแยบภลายยังไม่เป็นแล้วสิ่งที่ละเอียดก็ไม่เป็นเหมือนกันนะอันนี้เป็นประสบการณ์ของตมาเองนะเพราะว่าเคย ผิดพลาดมาก่อนแล้วก็มาแก้ไขแล้วแล้วเราเราวตัวเองเป็นคนที่กิเลสนะตันหาอย่างเหมือนคนทั่วไปเหมือนกันเนี่ยแต่อาศัยคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าเห็นช่องทางที่จะเป็นไปได้ที่เราจะเข้าถึงธรรมของท่านก็มาฝึกฝนตัวเองให้แยบคายขึ้นก็ไม่นานนะเข้าใจ ฉะนั้นเองในแกนเก็บอารมณ์ช่ว ง, งเช้าเนี่ยเราจะให้เขาไปนั่งในเต็นท์น่นะวันเมื่อวานเลยเสือที่อยู่ในเต็นท์มันเปียกก็เลยคุณบอกให้คุณหมอเต็มลมเอาหมาตากก็คงจะแห้งทุกพืนนะคุณหมวเนาะแต่ในเต็นท์ยังไม่แห้งหก็จะเอาผ้าเดี๋ยวจะให้จั่วผ้าไปเช็ดในเต็นท์แล้วก็เสือไปปูอีกทีนึ่ง ก็จะในการนั่งนั้นจะต้องเปิดหน้าหมดไม่ให้ปิดนะเผื่อว่าจะไม่ให้กิเลสมันแอบบงังปิดบงังไม่ให้มีกิเลสไปที่อาศัยเอาเนี่ยนะ <c oughs> นอนบา้นงบา ง, งนั่งบ้างทำนั่งหลับตาบ้างอะไรพวกนี้มันก็จะไม่กล้าเข้าไปว่าอาจารย์จะาคอยสํารวจตรวจสอบแต่ไม่ใช่ว่าอาจะไปนั่งให้เราให้ปเป็นตัวอย่างอีกเขไม่ไหวเงินนั้นต้องแต่ก็พยายามพยายามตื่นตัวก็จะ เรื่องแรกก็คือจัดสถานที่ให้ให้พร้อมไว้ก่อนเมื่อเข้าไปแล้วก็จะให้ไปนั่งทีนี้ไอ้การนั่งจะนั่งท่าไหนก่อนก็ได้แล้วแต่แต่ขณะนั่งลงไปปั๊มเนี่ยเราสร้างจังหวะไป3นาที5นาทีเจนาทีแล้วแต่ใครอีซีอ่อนอีีแข e ็ง e ถ้าคนอ e ีซีเข้มแข็งทางร่างกายไอ้จิตใจก็อาจจะได้ถึง10บหรือนาทีแต่ละท่า คนไอ้อซีอ่อนลงมาปานกลางอาจจะได้ห้างเจนาทีก็จะทนได้คนไอ้อซีอ่อนลงมาแค่สามนาทีก็ชักดินนแสดสายแล้วันเด็มีวิธีการตรวจสอบอีซีของตัวเองอยู่ตรงนั้นถ้าคนมีประสบการณ์หรือมีสมาธิดีหรือไทยทรมาเยอะอีซ e. ีจะเข้มแข็งกว่าเพราะว่ารู้จักวิธีแก้แต่คนอีซีอ่อนคนใหม่ยังไม่รู้จักวิธีแก้ก็จะ ปดก็ปวดเร็วคิดก็อยากก็อยากเร็วนะที่นี้จะทำยังไงก็ต้องปรับไปเรื่อยๆตามอีซีของตัวเองการรู้ทำเห็นรมก็จะช้า ย, ยืดไปตามกําลังของอีซีคนในอีซเข้มแข็งการรู้ธทำเห็นรมก็จะไว้ขึ้นเพราะมีนอกจากมีความอดทนสูงแล้วก็ยังมีปัญญาในการแก้ไขสิ่งที่เกิดได้แยบคายนี่องค์ธรรมมาอยู่ตรงนั้นนะทีนี้เบื้องต้นเนี่ย ให้เปลี่ยนท่านั่งให้เป็นเสียก่อนว่านั่งท่าไหนที่ตัวเองถนะัดนั่งขัดสมาด์นั่งพับเทียบนั่งเหยียดขานั่งพับเทียบซ้ายขวาขัดสมาด์หนึ่งสองสาหรือนั่งเก้า อ, อี้แต่เก้าอี้ไม่อยากให้นั่งเลยเพราะว่ามันท่าเดียวมันเปลี่ยนยากแล้วก็เวลาหลังพิงก็เอเนจีของเราลดไปห้าสเปอร์เซนเลยเพราะการทรงตัวก็จะหายไปเพราะอีกห้าสอร์ซนมาอยู่ที่ ลีนแบกหมดเลยมันก็เหลือดิ50เปอร์เซ็ไม่ถึง50เปอร์เซ็นด้วยครับบางคนเองเต็มที่เลยนะไม่ถึงสิบนาทีจะไปเลย <c oughs> แล้วก็การทรงตัวมัน <c oughs> น้อยในการที่จะตื่นตัวน้อยอ่แล้วก็เวลานั่งลงไปแล้วท่าที่ตนเองถนัดก็ยกมือกันยกมือสร้างจังหวะให้เป็นจังหวะเบาๆเส่ยก่อนแต่ให้มันครบนะครบ24แต่ถ้ามีการ เผือเกิดขึ้นตัว14ก็จะไม่ครบหรือสบางกาบาง8บางสบางสาบางลงมาเรื่อยๆคือมันจะไวขึ้นไวขึ้นเพราะฉะนั้นมาก็สังเกตว่าคุณมีสติเข้มแข็งเมื่อเข้มแข็งดูว่าการสร้างจะว่านุ่มนวลสวยงามแล้วก็ครบถ้วนแต่คนไหนสติไม่เข้มแข็งก็จะลดไม่นุ่มนวลไม่สวยงามคือวุดกระวาดไม่ครบอะไรพวกนี้มันก็จะลดมาตามลําดับในวิธีการสังเกต แล้วก็เมื่อนั่งได้ที่แล้วนั่งสังจาวะดูแล้วก็สังเกตตอนแรกอแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงของรูปเนี่ยมันจะช้ากว่านามสูในห้านาทีเนี่ยร่างกายเนี่ยพอทนได้นั่งท่าใดทั้งนึง่งแต่จิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนท่าไหนดีที่จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอา้าวมันลืมตัวนี้แล้วเพราะนั้นให้เอาร่างกายเป็นหลักให้ดูความร่างกายเป็นหลัก สมมติจิตไม่อยากจะเปลี่ยนก็บอกให้มันมาดูกายกันากายเขาต้องการอะไอย่างไรแกจะเปลี่ยนทําไมก็คอยท้วงมาเลยะอากายก็ยังไม่ปวดเลยไอ้แกาปวดหลายทีแล้วเนี่ยไอ้ความอยากนั่นแหละอยากจะเปลี่ยนอยากจะนน่นอยากจะคิดอยาะวิพากษ์วิจารณ์มันปวดแล้วมันก็ออกมาเป็นความทุกข์ทางนามเขาเรื่องนามทุกภาษาของพุทธิยนทีนี้พอเราจะเปลี่ยนถ้าหากว่าไม่แ ย, ยบคาย ป๊บปับเปลี่ยนไปเลยไปสู่ท่าใหม่อาการของตึงหนักหน่วงของขาของข้อของเขานี่หายไปจริงแต่ว่าอะไรที่ไม่ได้คือสติในการเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเอาละดูเต็มที่แล้วจากห้านาทีเนี่ยใจมันเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วนะเพราใจเขาเป็นภาวะที่เปลี่ยนได้ไว นีถ้าเขาจะเปลี่ยนที่ไรถ้าเรามีสติแล้วก็เตือนเขากลับมาดูว่ากายเขายังไม่เปลี่ยนเลยแล้วแกจะเปลี่ยนไปทำไมเขากลับมาดูดอกยําแล้วอีกจนกระทั่งมันยอมอมันยอมมันก็จะพอใจในการวิจัยดูความเข้มของความตึงความเครียดความไม่สบายของกายเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นอย่างไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกายเขาบอกไม่ไหวแล้วนะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกสมมุติว่าเจ็นาทีมันบอกไม่ไหวเราเอาแค่ห้านาทีก็ ก็พอสองสารร่างกายเขานะทีนี้พอตำรวจว่าจะเปลี่ยนปั๊บก็มาดูเต็มที่ชัดๆก่อนว่าขณะนี้ที่ว่าความไม่สบายกายเนี่ยเกิดขึ้นจุดไหนชัดที่สุดแต่เรานั่งเนี่ยก็จะสำรวจอ๋อขาถูกกดทับพื้นปลายเท้าถูกกดทับหลังและเอวไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนนะนะมันก็จะเซนซิทีฟตรงนั้นเป็นพิเศษก็เข้าไปดูจนกระทั่งว่าเออชัดเจนละก็กาหนดรู้ แค่ก้มตัวอย่างป๊เนี่ยไอตัวอาการบางอย่างก็เริ่มคลายเลยใช่ไหมเราก้มตัวไปกี่เปอร์เซนต์ตามลําดับเราก็เห็นอาการของการหนักขาหน่วงขาการเจ็บหลังเท้าคลายไปละแค่ท่านี้ที่เมื่กี้ผ่าเพียวขวาใช่ไหมเราก็จะไปผ่าเพียวซ้ายไม่ต้องใช้มือช่วยนะมือมาไว้ที่หน้าท้องแล้วท่านี้อะไรคือตัวเซนสิตีที่มาก่อน ก็รู้ไปเรื่อยๆเมื่อกี้เราได้สักห้านาทีเนี่ยท่า น, นี้มันจะได้กี่นาทีก็ดูไปสังเกตอัดตัวอื่นมาที่นี่ความง่วงมันมาทำไงสังเกตอยู่ดีๆไอ้เด็นั่นเนาะตั้งใจมากไว้หน่อยพอมง่วงมันมาเอาสิกสองนาึ้นแล้วความง่วงก็เอากายก็เอ า, า, เอาจะแก้ไหนก่อนกายก็ยังไม่ทันปวดเลยแต่ขอาง่วงมาก่อน อันไหนที่เป็นอบริษัทต้องแก่นั้นก่อนนะทีนี้ความง่วงมาเพราะอะไรเพราะเพลินทาเชื่อเพลินเพราะนั้นถ้าความง่วงเราลุ้นเพราะความเพลินเพราะความง่วงเป็นได้ทั้งลูกทั้งน้าอาศัยลูกคือร่างกายแช่ในอิรล็ดต์นานขึ้นไปมันก็ให้เกิดเลือดลมสตักในบางส่วนกลิ้งเราก็ต้องมาอจัดร่างกายให้มันตื่นตัวออกมาก็ใช้วิธีนวดหน้านวดตานวดหัวอะไรแล้วแต่จินนึกขึ้นได้ <c oughs> แก้ไขเอาความง่วงไปก่อน <c oughs> แล้วก็มาสํารวจดูกาอีกทีนี่อ๋อยังไม่ยังไม่ปวดก็ทําไปอ๋อวันนี้แดดออกมากร้อนไวนะอ๋อความร้อนอืดอัดมาอีกขาก็ยังไม่ปวดเลยนะนี่เหตุปัจจัยอีกหลายตัวมาทําให้นี่เรียกวความแยบขายสังเกตอะไรต่างถึ่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปในอะดีตในอะดีตเลยใช่ไหมวิ่งมาสู่ตัวปัจจุบัน แต่ตัวปัจจุบันเป็นตัวอะไรเป็นเตือนให้เกิดความเป็นข้อสังเกตเป็นที่ตั้งการสะเก็ดคืออะไรทุกขเวทนาทางกายทางภายนอกและภายในภายในก็คือในส่วนที่เป็นทุกขเวกทนาที่เกิดการตึงเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยภายนอกก็คือนั่งสร้างจังหวะดีๆเสียงเต้นข้างๆคุยกันเป็นไได้อารมณ์ดีไหมแย่ไหมใครไปเอาเราก็คิดไปเอาตรงนั้นเหตุปัจจัยภายนอกลูก มากระทบหูใจมันก็ฉับไปตรงนั้นเอาเพลืนยาวไว้หน่อยเอาตรงนี้มันปวดแล้วเห็นไหเพราะฉะนั้นอัจจัตตาธรรมมาไปหิธาธรรมมาที่เลยส่วนะเหตุปัจจัยภายในเหตุปัจจัยภายนอกทีนี้เสียงก็ลดรถไฟผ่านมาก็รบกวนขาก็ปวดจิตก็คิดอัจฉรตยะไปหิตาธรรมมาทั้งภายนอกภายในลุมมาเลยทีนี้ทาไงก็กลับมาตั้งสติใหม่ ตังสติจะแก้ไหนก่อนที่จําเป็นก็คือกายขาตรงนี้มันปวดแก้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปตามลําดับแต่ถ้าใจมันมันมีเวทนาสูงมันไม่แยบคลายแล้วอย่าลืมว่าความแยบคลายโลละเอียดนี่มันอุปสรรคมันคือเวทนามันบีบคั้นสมมุติว่าเรานั่งตรงนี้ยรู้สึกปวดเบาค่อนข้างแรงหน่อยใช่ไหมไอการที่จะลุกเป็นจังหวะลืมหมดเลยเพราะเวทนามันกล้าทําให้เราลืม วิทนากล้าทําให้สติขาดเพราสติขาดแล้วก็รีบๆไปตอนจะออกจากห้องน้ําำลืมกําหนดได้สุขเวทนาใหมา่สบายพอกําหนดออกมาได้เยื่อมมือปิดประตูมานนั่งรู้สึกตัวแต่เที่ยวแรกตอนไปนี่ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะเวิทนามันบีบคําแล้วสติหลุดเลยพ อ, อถ่ายบ๊อบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมได้สติกำหนดใหม่อันไหนที่มันพลาดไปแล้วทิ้งไปเลยไม่ต้องไปทบทวนตั้งท่าใหม่ อันไหนที่ลืมไปแล้วทิ้งไปเลยตั้งทางใหม่อการตั้งถ้าตั้งจังหวะตั้งสติใหม่เสมอเนี่ยเลยเป็นสำนวนไทยที่เราใช้กันอยู่ตั้งสติให้ดีใช่ไหมเราทาอะไรพระตั้งสติให้ดีนี่คือมาเริ่มต้นใหม่ทําภาษาก็รีเฟรชใหม่มะรีเฟลชใหม่ที่มันยุ่งเหยิงไปละรีเฟลชใหม่ที่เอาพอนั่งตรงนี้ได้ประมาณสักสามนาทีอาการเป็นไงอ่า แต่มาวิเคราะห์ไปถึงแ ย, ยบค่ายไปถึงกันนะเอ๊ะทำไมมันปวดละ่ละเวลายืนทำไมไม่ค่อยปวดนั่งเก้าอี้ทาไ ม, มไม่ค่อยปวดอ๋อน้ำหนักของเราส0มสิบสี่สิบห้าสิบโลไปกดทับอะไรเนื้อในส่วนที่รองรับใช่ไหมทีนี้ไอ้หน้าที่ของเลือดลมเขาก็เดินหน้าที่ของเขาอ่ะโดยกดกดกดหอวนิจังมันก็เลยตึงตัวนั้นเพราะว่าเขาแทนที่เขาจะวิ่งได้ร้0ยเปร์เซ็นแต่เราไปกดทับเขา เหลือ50เอร์เซ็นต์10 30เปอร์ซนตถ้าทับกดทับมากเปอร์เซ็นต์ก็ต่าลงไปแต่พอเราไปนั่งก็อี ก, การกดทับมันน้อยเขาก็วิ่งได้สะดวกทุกเวทนาก็มาไม่แรงเพราะการกดบีบตรงนั้นไม่แรงพอเราก็พอทนได้นาน5นาที10นาทีแต่ยิ่งคนอ้วนน้าหนักสูงน้ําหนักมากไปไงทุกเวทนาก็ยิ่งมาไวเพราะอะไรน้ําหนักมากเพราะการกดทับ แทนที่จะเหลือสัก 50% มันเข้าเป็น 80% ไอ้ความกดดันของเลือดลมที่จะผ่า น, นก็ไม่สะดวกเพราะว่าท่อมันเล็กใจเราจอรติดขัด <c oughs> มันก็เลยหนักไหวพอเรารู้เอาละเรายอมรับว่าเราน้ำหนักงแต่ว่าเรอาศัยการวิสัยในการเปลี่ยนเขค่อยลําดับการรู้ไปพอเลือดลมเขาได้เปิดทางเปิดทางท่อของเซลล์ด้วยฟิสเซเลตฝอยด์เขาเริ่มเปิดทาง เลืดหลุมเขาได้วิ่งใช่ไหมไอ้ตัวทุกวทนาที่มันบิดตรงนั้นไป็นไงทุบๆเนี่ยก็คลายไปอพอนั่งทําใหม่มก็เริ่มต้นใหม่นี่เขาเรียกกฎของนิจัมที่ว่าทำงานที่แต่เนื่องจากเราไม่แยกคายนะสมมตินั่งเก้กกเ า, านนกอี้เนี่ยเราง่วงง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันสบายเพอสบายแล้วมันเพลินเพาเพลินแล้วก็เลยเดือดหลุมเขามันสะดวกแต่ว่าตัวนามมีปัญหา ง่วงหนักหน้าหนักตาหายใจเบาลงไปไม่รีเฟลตตัวเองก็ง่วงต่อเลยทีนี้ใช่ไหมห้องง่วงต่อแต่ถ้าเรได้สตเิเปลี่ยนขยับเนื้อขยับตัวเพระเาะฉะนั้นตัวอุปสรรคที่แก้ยากที่สุดอพระพุทธเจ้าท่านใช้กวคือ น, นันทิราคะาสหกตะเวลาเราสวดในธรรมจักรใช่ไหนันทิราค้าสหกตะ ว่าตัวเพลินในอารมณ์นั้นนั้นั น, น, น, นทีไปว่าเพลินใช่ไหมนันทีลาคะตัวรักใคร่เพื่อเพลินใ น, นแล้วนั่งมันสบายแล้วก็เพลินเลใช่ไหมเพลินแล้วไม่รู้ว่าจิตมันคิดไปบ้างจิตไม่คิดกับความงงก็มาเราขาดความแยบคายในการนั่งเพราะฉนั้นคือไม่อยากจะให้นั่งเก้าอี้เพราะหนึ่งสบายเกินไปสองมันเพลินสามการทรงตัวไม่แน่นอนงทีนั่งตั้งตัวตรงคเมืม่อยก็หรือกัดพิงไปนีมาง่าย แต่ว่าถ้าหากถือเป็นยิบทผ่อนคลายโอเคนั่งนานเป็นชั่วโมงแล้วรู้สึกเออพลิกไปไงก็มันหมดท่าแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วที่การแล้วเหมือนทัางปวดหลังปวดเอวก็ทำไมเขาจึงเรียกว่าท่าเพราะร่างกายนี้เหมือนเรือท่าที่มันจอดมีกี่ท่ามีอยู่สี่ท่าใหญ่ใช่ไหมแต่ท่าย่อยนี่เยอะเหลือเกินนะท่าใหญ่คือท่าอะไรท่ายืนท่า ยืนท่าเดินถ้านั่งท่านอนพอไปจอดท่านั่งท่าเนี้ยมันหมดหมดเวลาแล้วในท่าเขาก็ไล่ออกเลยใช่ไหมคืออยากจะเปลี่ยนละคือมันหมดก็คือกฎของอ น, นิจจังทุกขตามว่าคับอยู่มันหมดเวลาหมดท่าแล้วก็จะไปท่าใหม่ก็เปลี่ยนไปอิบุใหม่พอเปลี่ยนอิบุใหม่ก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงให้การเห็นเปลี่ยนแปลงรู้สึกสังเกตไม่ทันกับลงไปนั่งท่าเดิมใหม่ ได้สันดานตัวเองนะแล้ว ก, ก็เปลี่ยนใหม่พูดเมื่อคืนพูดถึงาการของราชสีใช่ไหมก็ ค, คือสักซ้อมใหม่คืออย่าอย่าไปกลัวว่าจะมันจะช้าเพราะเวลาทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเราจะรีบไปไหนใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ความแยบใายในการสังเกตให้ทําจากรูปไปหานามถ้าเราไปแยบใายในเรื่องนามเลย มันไม่มีฐานไม่มีประสบการณ์ที่จะให้เห็นเป็นต่อเชื่อมกันเพราะฉนั้นรูปนามจึงเป็นฐานที่สําคัญเด็ดต้องรู้จักให้ชัดก่อนเป็นประการแรกเมื่อรูปนามไม่ชัดเนี่ยเมื่อมีปัญหาวิกฤตต่างๆในแง่ของนามต่างๆเราเข้าไปจัดไม่ถูกเพราะมันไม่มีฐานดังนั้นวิปัสนา จ, จึงฐานของรูปนามเป็นฐานที่สาคัญามาจึงบอกหมอจํานงว่ารู้รูปนามรอบเดือนสองรอบไม่พอให้มันรู้สิบรอบ20ิรอบ มันจะได้ชัดเจนมั่นคงรู้หลายๆครั้งเอามาเองใช้วิธีแบบนั้นการรู้หลายหลครั้งมันเกิดความชํานาญใช่ไหมเหมือนเราใช้เครื่องมือถ้ามันชนานาญเครื่องมือไหนพอเกิดปัญหาป๊ก็หยิบได้ทันทีแต่นี้ถ้าหากว่าเราไม่ชํานาญใช้เครื่องมือไม่เป็นเอาไม่รู้เครื่องมืออยู่ที่ไหนไม่รู้ปัญหามันก็เกิดนะทีนี้พอมาท่านี้เราก็มาสํารวจ ด, ด, ดูเอ๊ะนั่งท่ากู้เขาเนี่ย โดยเฉพาะหญิงผู้หญิงไม่เคยใช่ไหมมันก็เซนสิทีฟอย่าไปกลัวเพื่อเราทําหาให้เกิดทุกขเวทนามาเริ่มตรงไหนก่อนใช่ไหมพอทานนี้เราเห็นความหนักหน่วงอยู่ตรงไหนก่อนจุดที่ชัดก็คือเดภกส้นที่ไม่เคยอีกปลายเท้ากดกับพื้นรับน้ําหนักหลายสิบ ก, กิโลตรงนี้เป็นยังไงสร้างความเจ็บปวดรวัวร้าวขึ้นไวใช่ไหมเราก็อย่าเพิ่งกลัวมันดูไปก่อน ใช้ขันติดูปก่อนจนกระทั่งมันเต็มที่จริงๆอ่าเต็มที่จริงๆเราต้องขยับดูนิดหนึ่งพอขยับนิดนี้อะไรคลายอ๋อความหนักหน่วงที่ไอ้ตะโพกที่มียันกระซุนเนี่ยคลายไปแต่ไอีที่ขาที่หัวเขา่าที่ปลายเท้ายังอยู่อ่ะก็ขยับอีกทีหนึง่งเหยียดปลายเท้าออกที่เข่าขยับเรื่ลมผ่านสะดวกใช่ไหมห้า น, นี้ ท่า น, นี้ก็โยมก็ไม่เคยเหมื่อกันใช่ไหมก็ ย, ยิ่งส ensitive ใหญ่เลยคนที่ไม่เคยพ่อแบกน้องรับน้าหนักเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เกิดความตึงอยู่ที่ไหนก่อนขาใช่ไหมเข่าหน้าแข้งที่กระทบพื้นก็ต้องดูท่า น, นี้ไม่เคยไม่อยากทําไม่ได้ต้องทําดูทนได้สักนาทีก็เอาเพื่อให้เราเป็นเครื่องมือในกรณีศึกษาไม่ใช่ไปเอาท่า น, นี้ตลอด ทุกอย่างเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือเพื่อที่ให้เกิดความแยบคายให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นตัวปัญญาวิปัสสนาปัญญาต้องเกิดจากรูปกับนามเป็นหลักไม่ใช่อดีตอนาคตเลยแต่เนื่องจากว่าเราละเลยในรายละเอียดในส่วนนี้วิปัสสน า, าจึงเป็นไปได้ยากไงก็วิปัสสนาแบบมลงๆแร ง, ง, ง, งคิดเอาว่าเป็นวิปัสสนาแต่มันไม่จริงเพราะมันมันขาดเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง เพราะนั้นพอเป็นสมาสติแล้วมันจึงเกิดธรรมวิญยาณธรรมวิญญาต้องเป็นไปในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีนะภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรก็อย่างที่กําลังสาธิตเนี่ยคือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงให้ชัดๆว่าแต่ไม่ใช่คิดเอานะเห็นสภาวะนั้นที่ได้กล่าววันก่อนนะธรรมวิจัยกับธรรมวิจาร์ต่างกันยังไงธรรมวิจัยคือทํากับสิ่งที่กําลังปรากฏความง่วงปรากฏจริงไหมจริงความปวดปรากฏจริงไหมจริงารากรงรงารเข้าไป เฝ้าดูแก้ไขแล้วดีวกับภาวะอันนั้นเรียกเป็นธรรมวิจัยอาจจะต่างจากวิจัยทางโลกอ น, นะซึ่งเป็นเรื่องที่คิดทั้งนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าธรรมวิจารณ์เกิดขึ้นไปอ๋ออาการที่ปวด ต, ตรงนี้มันเป็นอันที่จังทุกขังอนัตตาอันที่จังอันนี้เป็นธรรมวิจารณ์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่วิจัยแล้วถึงแม้ภาวะของจริงรองรับอยู่คือจริงแต่ว่ามันเกินขอบเขตของความจริงที่ความจริงความปวดขาปวดยังไม่ปรากฏเลยแต่เอาอนที่จังทุขังอนัตตามาคิดแล้ว ตรงนี้เป็นธรรมวิจารณ์เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นความจริงปรากฏเท่าไหร่ให้พิจารณาเท่านั้นให้เห็นเท่านั้น น, นี่คือธรรมวิจยะได้ส่วนใหญ่แล้ว เ, เลยเถิดเกิความจริงก็มีอยู่ใช่แต่ความจริงมีนิดเดียวแต่ว่าคิดดิไซวิจารณ์ไปเยอะเลยพอมาถึงทุนนี้อา้าวได้หนึ่งนาทีรู้สึกว่าตึงเต็มที่แล้จะทำไงาไปท่าไหนต้องแพลนก่อนแพลนไปท่าใหม่ ไปได้ไหมต้องเห็นตัวนี้ชัดๆว่าแต่จิตมันเปลี่ยนไปหลายครั้งแล้วอาทำไมไม่นั่งไม่สบายเมือนั่งทำไมแบบนี้มันก็มีภาควิจารณ์มันเป็นทกติพย์แมนจิตของเราเนี่ยนะเราคิดนั่คิดนี่มาหาเหตุท้าผลที่จะหาไปหลงกลมั น, นอะ่ะก็ไปเลยหลงกลปัญญาแตในตัวกิเลสแต่เราต้องการปัญญาที่เป็นโลกุตระต้องไม่หลงกลปัญญาของกิเลสปัญญาของเลนมีเหตุมีผลแล้วแต่ความฉลาดทั้งคนคนไหนฉลาดนั้นว่าการหาเหตุผลได้เชื่อถือแม้ตัวเองก็ยังหลงตัวเองว่าเออคิดใช้ได้ แต่ควจริงไม่ใช่เราดูเต็มที่แล้วท่านี้เราจะแพลนไปท่าอื่นแล้วก็สมมุติลงไปไปท่าหัสดสมาธิแล้วก็ค่อยขาครับแล้วก็ค่อยโยนคนขณะที่โยนก่อนโยนก้นลงเนี่ยเราเห็นว่าอาการของการตึงขาตึงเข่ามิคี้เริ่มไปไงเริ่มคลายใช่ไหมเวลามันเชียนคอมพลีตเลยเป็นไงอาการที่ตึงที่ปวดตรงนี้หมดไปโดยชิ้นเชิง มันก็เริ่มต้นใหม่ที่ไหนอีกในทานนี้เริ่มต้นใหม่นี่กดอนิจจังผู้เขาทำงานเขามันตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปเห็นไอ้ความรายละเอียดเขามันเลยความผิดพลาดในการปฏิบัติธรรมความล่าช้าในการเข้าถึงใจธรรมมันถึงช้างไงชา้าเพราะฉะนั้นเองในยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยเขาจะทําแบบพี่มาทํานี่แหละแล้วเขาจะเข้าถึงธรรมได้ไวแต่สําหรับเขามีฐานศรัทธานะฐานศรัทธาและความเพียรสูง แต่ว่าปัญญาทั้งส่วนที่เป็นกิริยานิวิตและปัญญาที่ส่วนที่เป็นอยู่นิสมในการฝึกกันได้เรียนกันได้ฟังกันได้ศึกษากันได้แต่ในสภาและความเพียรต้องอาศัยความตั้งใจของตัวเองจริงนะเอาผมานั่งทานนี้ทานสบายหนะึ่งเฉพาะผู้ชายใช่ไหมนั่งได้นานทีนี้ยาวไปเจ้าสักสิบห้านาทีหนึ่งเอาพอเจ็นาทีไปไงทานหนักแล้วง่วงเพึ่งทานเข้าไปใหม่ๆ แทนที่จะอุปสรรคเกิดจากลูกมันมาจากไหนแล้วทีนี้มาจากน้ำเพราะอาการเพราะนั้นในช่วงท่าไหนที่สบายถึงว่าเราจะอยู่ท่านี้เราต้องรีเฟล็คือต้องอาจจัดตัวเองอยู่เสมอปรับให้มันด้วยลมให้ค่อยผ่านนิดหน่อยพทนได้อย่าไปนั่งคือมันสบายเข้าสงบไปเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต้าสิบเป็นอย่างนีง้พอเข้าสู่ความสงบปั๊บล็อกตัวเองกุญแจติดแล้วการนั่งสงบหลับตาถือว่า เหมือนที่หลวงพ่อเทียนอ่ะคือคื อ, คอล็อกตัวเองเข้าอยู่ในอาการนั้นั้นถ้าไม่ตื่นไม่มีกุญแจพอตื่นขึ้นมาอะกุญแจมือไขตื่นขึ้นมาใหม่หลวงพ่อเทียนนี่ใช้ก็กุญแจดอกเอกคือตัวเนี้คือตัวตื่นตัวนี้แหละแต่ว่าผู้ที่สติยังไม่เข้มแข็งยังไงก็ต้องล็อกตัวเองไว้อย่างข้ามเพราะเวลาไปสู่ความเพลินใช่ไหนั่นที่ราคาสหัตาเนี่ยไปสู่ความเพลินตรงนั้นมันเข้าเข้าสู่ล็อกของเดิมของเราคือเราเคยนั่งสมาธ ม, มานาน เข้สู่ตรงนั้นปับ๊บแล้วจเจริญสติแบบนี้สมาธิมันมาไวแล้วก็สงบได้ไวมันง่ายที่จะล็อกถ้าหากว่าเราสติไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยมันก็ล็อกตัวเองอยู่กรรมฐ า, านก็วิปัสสนาก็ไม่เดินเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนแต่ละท่าและท่าละนี่คือตัวอย่างนะสองสามท่าพอตัวอย่างในการศึกษาในความแยบคายของตัวเองแล้วมันจะง่ายขึ้นดังนั้นในนีถึงเวลาฉันข้าวแล้วเนาะ อันนั้นในช่วงนี้จะทานเสร็จทําบุรละส่วนตัวถ้าใครจะแยบคลายก็จะให้ทันเวลาบางคนแยบคายเกินไปทีทุ่นเกินไปไม่ทันเวลานี่ถือว่าแยบคายตรงนี้ก็ไม่สมบูรณ์คือขาดสติอยู่เขาจะทํําทางานกัน8ปดโมงโยังไม่เสร็จเลยท่านกำลังแยบคลายอยู่ก็ทําเป็นทีละขั้นตอนมันก็ช้าเป็นหอยเป็นปูไปจริงอยู่แยบคลายจริงแต่ถ้าไม่ทันเหตุการณ์ไม่ทันเหตุปัจจัยก็ถือว่าความแยบคายนั้นใช้ไม่ได้ ความยแยบใจต้องมีทันเหตุทันการทันงานทันคนทันคนทันเกมแล้วก็ทันเวลาไอ้ความแยบขายนั้นก็มีผลนะแล้วนั้นก็ในช่วงเช้ า, ามาชี้แจงในเรื่องธรรมะวิจยะแค่นี้แล้วก็เวลาในภาคปฏิบัติจริงใครทำได้มากได้น้อยตัวเนี้มาก็จะไปคอยสำรวจอีกทีหนึ่งนะก็คอยนโมธนาสาธุซึ่งวันนี้เป็นวัน เรียกว่าวันดีเดียก็ว่าได้เนะเพราะว่าเรากำหนดไว้สำหรับผู้ใหม่เยอะเนี่ยก็จะเป็นอาวัยเน็ตเดย์สักหวันแล้วก็อินเทนเซฟอาวัยเน็ตเดย์สักสวัน uh, พรุ่งนี้ก็เป็น working day นะใครจะอยู่ working day ก็ช่วยกันเก็บเต็นต์ล้างเต็นต์นะพวกนี้นะถ้าใครจะกลับก่อนก็ uh, working day ก็ไม่ได้ตดีวนี้ซึ่งก็ uh, เราจะให้อันั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้จากตัวเองชัดช ắt เลยเราไปทําแล้วมันก็จะได้เห็นผลด้วยตัวเองชัดๆไม่มีใครมารับรองหรอกว่าเออคุณรู้แล้วนะคุณไม่รู้ไม่ต้องเราจะไม่ดังเลยแต่ถ้ารับรองตัวเองเห็นตัวเองเขา้าใจถึงใครจะมารับรองไม่รับรอ ง, ไ ม, รองไม่สําคัญแต่ว่าเรารู้จักตัวเองขอนุทนาสาธุที่เราจะตั้งใจศึกษาในเรื่องนี้โดยเย็บผายด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ